พนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโรกาสพราจารย์เพศาลพระเถรานุเถระเ พ, เพื่อนสา ร, รมิทุกท่านจเจริญธรรมแม่จีและญาติธรรมทุกท่านคนเราจริงๆเมื่อเกิดมาแล้วเราถ้าเราไม่เคยคิดนะว่าเราเกิดมาทำไมแล้วก็หลังจากที่เราตายแล้วจะไปไหน อันนี้ชื่อว่าเป็นคนที่น่าสงสารมากทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเราดูให้ดีแล้วคนเราจะเกิดมาด้วยความเคยชินนะเกิดมาในครอบครัวของเรานะก็มีความเคยชินเอนะพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเขาก็เป็นเช่นไรแล้วก็คล้ายๆเขาเช่นนั้นนั่นแหละเขาดินนรรา้นหล่นทาหากินไปวันๆหนึ่งแล้วก็ดินนรร้นหล่นทาหากินไปวันๆหนึ่ง เกิดมาในครอบครัวที่ช่อราดบังหลวงคดโกงรักขโมยทำในความไม่ดีต่างๆแล้วก็มีความเคยชินในสิ่งเหล่านั้นเราก็ทำตามเขาเปนั่นแหละหรือเกิดมาในครอบครัวที่มีศีลไม่ทำนะมีจิตใจที่ดีอบอ้อมอารีเราก็เป็นเช่นนั้นก็คือทุกอย่างมีแต่ความเคยชิน แต่ว่าไม่เคยกลับมาสังเกตว่าเราเกิดมาทําไมนะเพราะเราเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดนะเห็นเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วจิตก็ไม่มีการดิ้นรนว่าเราเกิดมาทําไมอันนี้เขาชื่อว่าเราน่าสงสารนะเราก็เสียชาติเกิดไปชาติหนึ่งแบบเปล่า พะเมื่อจิตนะไม่มีการคิดไม่มีการดิน้นรนแล้วจิตก็จะไม่เกิดการสแสวงหาเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะในยุคเรายุคเดียวนะแม้แต่ในยุคพุทกาลเนี่ยที่เจ้าชายศิลป์ถาเกิดขึ้นในยุคนั้นก็เหมือนกันนะทุกคนเห็นว่าเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเจ้าชายศิลป์ ถ, ถในขณะนั้น กลับเห็นว่าไม่เป็นเรื่องธรรมดานะความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นเรื่องธรรมดาเลยเนะมื่อท่านเห็น อ, อมีโอกาสที่ออกมาภายนอกเมืองได้เห็นไปตามความจริงว่ามีมีคนแก่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ธรรมดามีความมีคนเจ็บท่านเห็นเป็นเรื่องไม่ธรรมดามีคนตายท่านเห็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ธรรมดาท่านเกิดความสงสัยว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้น แล้วก็มาย้อนกลับไปตัวท่านเองท่านก็เป็นเช่นนั้นอีกหน้อยท่านก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเห็นไม่เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราฉุกคิดไหมนะในตรงนั้นนะแต่เราเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่มีความฉุกคิดขึ้นมาทรงเห็นว่านั่นแหละก็คือความทุกข์อันนี้เรากลับมาเห็นไหมว่าตรงนั้นคือความทุกข์เมื่อเห็นความทุกข์แล้ว ต่อมาเจ้าชายเสือาทาก็เห็นนักบวชเ<ะ>ห็นสมณะถ้าเห็นว่าเออเนี่ยเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็คือปัญญาของมหาบุรุษที่สร้างมาในตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเมื่อก่อนที่เรายังไม่เคยปฏิบัติธร ร, รรมเราเห็นว่าเราก็คล้ายๆกันกับเจ้าชายเสือาในยุคแรกนั่นแหละเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดเราก็ทําทุกอย่างตามใจของเรา ตามแต่ตันหาเขาเรียกร้องอก็เสวยในความสุขไปวันวนหนึ่งสนองอกินเลยตันหาไปวันๆนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นแหละคือความไม่ธรรมดาเราเมื่อก่อนเราก็จะแสวงหาความทุกข์กต่างๆในรูปรสกลิ่นเสียงผดทพะทำมารมณ์อยากดูอะไรก็ดูอยากกินอะไรก็กินอยากไปเที่ยวก็เที่ย ว, เ, ยวเพลิดเพลินไปวันวนหนึ่งนะอย่างในช่วงนี้ก็ เห็นว่ามีแข่งเอเจนต์เกมนะคนก็ติดตามกันเยอะนะเพราะว่าไทยมีโอกาสที่จะลุ้นนะเหรียญต่างๆได้มากกว่าโอลิมปิกนะก็ลุ้นกันกันไปนะอันนั้นเราสังเกตไหมนั่นก็คือความที่เราเพิดเพลินไปแล้วนะเพลิดเพลินไปในกิเลสตัณหาในความยึดความติดความยึดมั่นถือมั่นนะความที่เราลืมกายลืมใจ นะจะมีสักกี่คนที่กลับมาเห็นในสิ่งเหล่านี้นะมีได้ความส่วนมากเขาก็เพลิดเพลินกันไปมีความสนุกสนานมีความสุขมีความทุกข์แต่ก็กลับไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่แหละคือความที่เราไม่รู้จักของจริงนะว่าไอ้ตรงนี้นะั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามันไม่ไม่เป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราส่วนใหญ่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ดิน้นรน นะคร น, นี้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดไว้ว่าอนะความที่เป็นลาบมาเสีเ่ยของเราเนี่ยมีอยู่สี่ประการคือการที่ได้เกิดมนุษย์นี้เป็นลาบที่ประเสริฐที่สุดแล้วกิจโชมนุษสัปฏิลาโพนะการเกิดมนุษย์นี้เป็นลาบที่ประเสริฐนะประการแรกนี้เราได้เกิดมนุษย์แล้วนะอืนะ ครั้นี้มันปนระเสริอย่างไงนะเพราะความที่เราเกิดมนุษย์นี้จริงๆแล้วมันยากมากนะอที่ได้โซนเปรียบเทียบเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งที่ว่าร้อยปีจะโผล่กันมากลางมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งแล้วก็เหนือมาสมุติก็จะมีแอกอ่าร่องลอยอยู่ด้านในแอกก็จะมีรูอยู่รูเดียวต่อเมื่อเต่าตาบอดเอาหัวโผล่มาสักครั้งหนึ่งแล้วเข้าไปในรูแอกนั้นได้น ะ, นะก็คือการได้เกิดมนุษย์สักครั้งหนึ่งซึ่งมันจะยากมากนะเพราะว่า มหาโซนก็กว้างใหญ่เราก็ไม่รู้แอกอยู่ที่ไหนเราเตาก็ตาบอดด้วยนี่เป็นเงื่อนไขนะที่มันยากมากทีเดียวแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็ได้อ่าทรงเอาเอาเล็บมาช้อนฝุ่นปิดปลายเล็บขึ้นมาแล้วถามภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝุ่นที่ติดปลายเล็บของเรากับฝุ่นในมหาปัตตพีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุตอบว่าฝุ่นที่ติดปลายเล็บนั้นไม่อาจจะเทียบได้กับฝุ่นในมหาปัตตพีได้เลย พระองค์ได้ทรงตัดว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ที่ตายไปแล้วจะกลับมาเกิดมนุษย์นั้นน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดปลายเล็ของเราส่วนที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นๆนั้นไม่มากเท่ากับฝุ่นในมหาพัดพีอเราเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยคนที่เกิดที่หลังเราหรือก่อนเราก็ตายไปมากมายแล้วแต่เราก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะนี่ก็คือความโชคดีของเราแล้วประการต่อมาได้พบผู้ศาสนาเราก็ได้พบแล้ว ปรการสุดท้ายเมื่อได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วได้ประบัตธรรมอันปัพเสริฐนั้นอันนี้เราได้พบแล้วนะนี่คือจริงๆแล้วก็ถือว่าเราโชคดีแล้วนะะเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วหากจะเปรียบเทียบแล้วเท่าเงินร้อยล้านมาเทียบมามาแลกกับเราในตรงนี้เงินร้อยล้านนั้นก็ยังสู้ตรงนี้ไม่ได้นะตรงที่เราอยู่กัปัจจุบันนี่แหละที่ว่าเราได้พบพระศาสนาเนี่แหละแล้วได้มาปฏิบัติธรรมนะมันเทียบก็ไม่ได้เลย เพราะคนที่มีเงินร้อยล้านนะหรือพันล้านหมื่นล้านเขาก็ยังไม่พบความจริงแล้วเขาก็ต้องอ่ไปสบความทุกข์อีกนับพบนับชาติไม่ทน่ะแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงสรุปในตรงนี้ว่าเมื่อเราพบภูษานาแล้วเราก็มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือลาบอันประเสริฐก็แสดงว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่าเราได้มาพบแล้วนะแล้วเราได้ทําให้มันถึงที่สุดแห่งความประเสริฐนั้นไหม ก็คิดว่าหลายหลายท่านเนี่ยก็ได้ผ่านในตรงนี้มาแล้วจึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะการนั่งอยู่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่เราจะหลีกเล้่นสิ่งต่างมานั่งตรงนี้ได้คราวนี้เมื่อมานั่งตรงนี้แล้วนะเราประการแรกนะให้เรารู้จักในความทุกข์ให้ได้ก่อนความทุกข์ก็มีความทุกข์กายนะ น, นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเห็นแล้วนะ แล้วท่านก็ได้แสดงไว้ที่เราสวดผ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความโศกความเศร้าความํำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค่งใจเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความพัดผ่านจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ว่าด้ย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขนะตรงนี้เราต้องกลับมารู้จักทุก์ให้ได้ก่อนนะมันมีทุกกายและทุกใจในี่แหละนาความทุกข์มาให้เราอย่างแท้จริงนะการที่เรามีความทุกข์ก็เพราะว่าเรามีกายและมีใจนะมันจึงมีความทุกข์ในตรงนั้นนะกายและใจก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันก็ทำหน้าที่ของเขาไป เพียงแต่ว่าเราให้เข้าใจความจริงในตรงนี้ว่าเขาเขาทาหน้าที่ไปเท่านั้นแต่เราไม่เป็นทุกกับเขาเราเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะเป็นผู้ที่สามารถที่จะสังเกตกายและใจได้ขณะไหนขณะหนึ่งว่าเขาทาอะไรอยู่นะกายและใจนี่เป็นสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวตลอดเวลานะถ้าเราดูให้ดีแล้วนะเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยกายและใจเราเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เราเห็นนะการที่เขาเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันนําความทุกข์มาให้เรา เมื่อกี้เรานั่งสบายๆมันก็เริ่มจะปวดเมื่อยแล้วนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงในทางกายะในทางใจก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทุกข์อย่างที่เราได้สวดอนัตตลักษณสูตรมาแล้วะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้ากายและใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราเมื่อก่อนเราเป็นเด็กตอนนี้เราก็เป็นผู้ใหญ่อีกหน่อยแล้วก้ากลายเป็นคนแก่ แล้วก็ถึงกับความตายนี่คือความเปลี่ยนแปลงก็นําทุกไม้เราใจอใจนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะแต่เราสังเกตได้ได้น้อยมากเลยวันๆหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวมีความพอใจเดี๋ยวมีความไม่พอใจต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ทั้งทั้งนั้นนะแต่เราสังเกตเห็นก็ได้ไหมนะการที่เราสามารถสังเกตเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสติ นะคนที่ไม่มีสตินี่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงแทบังไม่ได้เลยนะเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้เรากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนนะกายในจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะเดี๋ยวเขาก็เคลื่อนไหวนะดื่มกินพูดคิดตรงนี้เราสังเกตเขาได้ไหมนะถ้าเราไม่สังเกตเขาก็ชื่อว่าเราลืมกายไปเราลืมกายไปแล้วนะการที่เราลืมกายนะั่นแหละเขาเรียกว่าเราหลง นะการที่เราไม่รู้ว่าขณะนี้เราคิดอะไรอยูนะ่อันนั้นก็ชื่อว่าเราลืมใจนะอันนี้ก็ชื่อว่าเราหลงนะความหลงนี่แหละมันนาความทุกข์มาให้เราตลอดเวลานะนะแล้วก็เป็นสาเหตุใหญ่นะที่นำกิเลส ต, ต่างๆเข้ามาสู่ใจเรานะใจเรานี่ปกติกนี่นะมันจริงๆแล้วมันก็เฉยๆนั่นแหละมันเฉยๆอยู่แต่ว่าไม่มีอนุัสนอนเนื่องอยู่ภายใน อนุใสจะนอนเนื่องอยู่ภายในอยู่เรื่อยๆต่อเมื่อที่ตาได้กระทบรูปขึ้นมานะรูปนั้นก็จะนำเวทนามาสู่ใจของเรานะมีความยินดีมีความยินร้ายนะหรือเฉยๆเนี่ยตรงนี้เรารู้ทันไหมนะถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะไปปรุงแต่งเป็นตัณหาคือความทยานอยากเนะมื่อเกิดความทยานอยากก็ จะเกิดเป็นอุบทานคือความยึดมั่นในตรงนั้นขึ้นมาเมื่อความยึดมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อกลายเป็นตัวเป็นตนเราก็จะเสวยความทุกข์ต่อมาอีกนะเพราะนั้นใจจึงต้องไวเพียงพอที่จะรู้ ท, ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราแม้แต่นิดเดียวนะถ้าเรารู้ไม่ทันเขานิดเดียวเนี่ยเขาสร้างภพสร้างชาติทันทีเลยนะมันสร้างภพสร้างชาติในใจของเราทันทีอะไรก็ได้นะ เห็นอะไรก็แล้วแต่มันสร้างภพสร้างชาติทั้งนั้นซึ่งในครั้งแรกมันจะสร้างในใจเราก่อนนั่นแหละแต่จากการที่จิตเราดับในขณะนี้มีภพมีชาติอยู่ในใจของเรามันก็เลยไปสร้างภพสร้างชาติใหม่ต่อไปอันนี้คือประเด็นที่ว่าเรารู้ทันในตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นการดับทุกข์มันไม่ใช่แค่ดับในอนาคตการคอย้าดไปยาอดึงพระนิพพานในอนาคตการนั้นเทินอันนั้นมันน้อยไปมันช้าไปเราดับทุกข์ในปัจจุบันนี้ได้ไหม ทันไหมดับทันไหมถ้าดับทันตรงนี้พบชาติไม่ต้องไปห่วงนะมันไม่มีหรอกมันดับแล้วตั้งแต่ปัจจุบันแล้วมันจะมีในอนาคตการได้อย่างไระเพราะการดับทุกไม่ต้องไปดับในอนาคตไม่ต้องไปหวังนิพพานในอนาคตแต่ว่าดับในปัจจุบันนี้ดับให้ได้ดับที่นี่เดี๋ยวดับเดี๋ยวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะดับได้เนี่ยมันต้องมีสติที่ว่องไวะว่องไวพอสมควรเลยนะ ที่จะรู้เท่าทันกินเลสในใจของเราให้ได้ถ้ารู้เท่าทันไม่ได้เขาไปปรุงแต่งต่อตลอดเลยนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้ออ่อนแข็งใจนึกคิดเนี่ยเขาปรุงแต่งตลอดเวลาเลยนะมันเป็นสิ่งที่มันไวมากไวยิ่งกว่าอะไรสีกหนะึ่แต่ใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอบรมดีแล้วมันจะไวกว่า เขาเรียกว่าเราอบรมจิตของเราให้เกิดสติมันจะว่องไวยิ่งกว่ากิเลส น, นะเพราะนั hmm. ้นมันยิงต่างกันนะป mm ุถ hmm. ุชนที่ไม่เคยอบรมจิตภพชาติก็จะเกิดมามากมายนะตัณหาก็มีมากนะ mm hmm. เราจะสังเกตได้ไม่สมัยก่อนที่เราไม่เคยอบรมจิต mm hmm. มันจะไหลเข้าไปในความโลภความโกรธความหลงทั้งวันเรารู้ไม่ทันมันจะเกิดการดินน้นรนเกิดการสแสวงหานะ เกิดการทยานอยากทั้งวันอยากกินอะไรไปกินอยากเที่ยวอะไรก็ไปเที่ยวอยากดูอะไรก็ไปดูอยากฟังอะไรก็ไปฟังไม่เคยกลับมาสังเกตเลยว่านั่นมือคือตัณหาในใจของเรานั่นแหละคือเห็นให้เกิดภพเกิดชาติแล้วเราก็ยังสนองมันไปเป็นมันก็เป็ น, นทาส ท, ที่ซื่อสัตย์คอยรับใช้เจ้านายคอยสนองกิเลสเขาคอยสนองตัณหาเขาร่ำไปทั้งในภพนี้และภพหน้า และกับพบอดีตชาติมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเราก็สนองเป็นทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตว์ของเจ้านายเราคือตันหามานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วจนปัจจุบันนี้และในอนาคตการนะเพราะเราไม่รู้จักเจ้านายเราว่าคือใครนะเจ้านายเราก็คือตันหานั่นแหละเพราะฉนั้นพระเจ้าก็เลยทรงตัดไว้ว่าสมุทัยนะคือสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์ก็คือตันหานั่นเองนะ ตัณหานี่นะมันก็คื อ, อกามตัณหาก็คือตัณหาในกามในรูปรดกลิ่นเสียงผลัพธาตุมลมเพราะว่าตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายวิภาวตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งหลายนะมันอยู่ในใจองเรานี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะจนทั้งพรเจ้าได้ทรงตัดเป็นภาษีได้ ว, ว่า น, นัตินัติตัณหาสมานที แม่น้ําจะเสมอด้วยตันหาไม่มีนะเพราะแม่น้ําที่ว่าใหญ่ว่ากว้างวันลึกแล้วมันก็ยังน้อยกว่าตันหาในใจของเราะมันไม่มีอะไรจบหรอกนะแม่น้ําบางทีมันยังมีวันเต็มแต่ตันหาในใจเรามันไม่มีวันเต็มนะมันต้องสนอกตลอดเวลานะตรงนี้ต้องมองให้ทันนะในรูปรสกลิ่นเสียงผดท่าภธรรมลมความอยากได้อยากมีอยากเป็นความผักใสเข้า เนี่ยมันต้องดูให้ทันในตรงนี้เลยนะตรงนี้มันเป็นสาเหตุเองความเกิดทุกข์เป็นสมุทยัยนะพระพุทธเจ้าเลยตัดเอาไว้ว่ า, ากิจที่เราต้องทํากับสมุทัยก็คือละเขาก็คือละละสมุทยัยนะคือคือละต้นเหตุแห่งความทุกข์หรือตัณหานั่นเองนะเนี่ยตรงนี้เธอจับประเด็นให้ได้แล้วมันมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อละสมุทยัยนะแต่การละนะั้นเราอยู่ดีเราจะไปละก็ได้ไหม มันละไม่ได้ง่ายๆหรอกนะเพราะตัณหา ม, มันไม่ได้เกิดขึ้นมาตอนไห น, นเราก็ไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนนะความอยากอยากได้ต่างๆนะเราก็ไม่รู้วจะเกิดมาตอนไหนนะความโกรธความหลงเราไม่รู้ว่จะเกิดมาตอนไหนเพราะเราไปตั้ง ใ, ใ, ใจละเขามันก็ละไม่ได้แต่ก็ต้องรอ Luiza เขาเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วเราก็รู้ทันให้ไวนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ทันให้ไวก็คือเราสังเกตจิตได้ไวไหม ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาในใจเรานะความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เมื่อกระทบแล้วมีความคิดในตรงนั้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปปรุงแต่งต่อนะการปรุงแต่งต่อนั่นแหละมันเป็นเหตุถ้าไม่เกิดตัณหาเกิดบาทานขึ้นมานะยกตัวยอย่างเช่นคนเข้ามาด่าเรา นะสมัยก่อนนี้นะ่ะมาด่าละปั๊บนี่เราอยากโกรธอย่างรวดเร็วนะด่าปุ๊บโกรธปั๊บเลยนะด่ากลับเลยนะบางทีเราโกรธอย่างหนักด่าแล้วปุ๊บเราชกกลับนะเตะกลับต่อยกลับทำร้ายเขากลับทันทีนะตรงนั้นก็คือเรารู้ไม่ทันอารมณ์ของเราแล้วมันไปสร้างพพสร้างชาติต่อนะเป็นสร้างเป็นความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นมามากมายนะแต่ถ้าเราสามารถสังเกตจิตเราได้ไวขึ้น เวลาคนเขามาดา่าเราปุ๊บเลยสังเกตได้เออขณะนี้นะมันมีความขัดเคืองเกิดขึ้นแล้วมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วอแล้วมันก็ค่อยถึงความโกรธนะมันจะสังเกตในตรงนี้ได้นะเหมือนกับความโกดไปเลขห้านะเมื่อก่อนดา่าแล้วปุ๊บเราเอาถึงเลขห้าทันทีเลยะแต่พอหลังตอนหลังพอลมเริ่มสังเกตได้เออเขาดา่าแล้วปุ๊บเราสังเกตว่าเออขณะนี้เล克หนึ่งสองสามสี่มันเริ่มเลี้ยงมามเราเห็นก่อน เนี่ยตรงนี้แสดงว่าเราเราเริ่มที่จะมีการสังเกตอาการต่างๆของจิตใจเราได้แล้วนะตรงนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยในชีวิตเราเราสังเกตเข้าได้ไหมเพราะนี้แหละมันเป็นต้นทางแล้วที่เราจะออกจากปัญหาได้แล้วเมื่อมันมีต้นทางมันก็จะมีปลายทางว่าเมื่อมันออกจากตัญหาได้แล้วนั่นแหละ คือความดับของตัณหาก็คือเราเข้าสู่นิโรธได้ไม่ยากเลยนะนิโรธ ค, คือความดับทุกข์ทั้งปวงการดับทุกข์ก็คือโยตัสยาเยวะตัณหายาเสสะวิลาคะนิโรโทจาโคปนิสักโคมุตินารโยก็คือการที่เราดับตัณหาโดยไม่เหลือในใจของเรานั่นเองนะเนี่ยมันมาจากการดับตัณหาแล้วมันก็จะเข้าสู่นิโรธราะตรงนี้มันต้องสังเกตให้ไวในความที่จิตเข้ากับเพื่อมไหลไปอารมณ์ต่างๆให้ได้ให้ไวให้เพียงพอ เราจะต้องมาฝึกมารู้เท่าทันกิหลสในใจของเราให้ได้ก่อนมันเคลื่อนไหวทั้งวันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเรารู้ทันเขาไหมนะแต่การที่เราจะมาคอยสังเกตใจมันก็เป็นเรื่องยากอีกนะอันนั้นต้องเป็นคนที่มีกำลังเพียงพอทีเดียวต้องสร้างบารมีมาเยอะมากสามาสังเกตใ จ, ใจิตใจวุบวั บ, บโอ้คิดปุ๊บรู้ทั น, นกดปับ๊บรู้ทันไม่พอใจรู้ทันขัดเคืองนิดหน่อยรู้ทัน พอรูท้ทันปุ๊บสลัดหลุดไปทันทีไม่ติดตลมโอ้นั่นสุดยอดเลยนะนั่นแหละมันมันไวแล้วแต่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ๆนะเราก็ต้องวางพื้นฐานให้ดีก่อนนะเหมือนกับเราจะสร้างตึกเนี่ยต้องปูเสาเข็มให้ดีก่อนนะครั้นี้ปูเสาเข็มไม่ดีพระพเจ้าก็เริ่มว่าเออให้มีสติฐานสี่นะก็คือมาให้รู้กายก่อนอรู้กายนะยืนเดินนั่งนอน ร, อรู้ไหมรู้ไหมวันๆหนึ่งเราเดินเดินนั่งนอนเรายืนเดินนั่งนอนตลอดชีวิตแล้วเรารู้ไหม เหมือกับที่มีพราหมณ์ถามพระเจ้าว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องอยู่พระเจ้บาบอกเรามียืนเดินนั่งนอนพราหมณ์ก็หัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันท่านยืนก็รู้ว่ายืนท่านเดินก็รู้ว่าเดินท่านนั่งก็รู้ว่านั่งท่านนอนก็รู้ว่านอนนะอันนี้มันไม่เหมือนกันเรารู้ไหมขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ขณะนี้กำลังฟังธรรมอยู่นะมันมันกลับมารู้ในตรงนี้ไหมนะนะ ต่อมาท่านก็ให้รู้ในอีรบบทยอดอย่างต่างนะคู่แขนเหยียดแขนนะก้มเงยนะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายแลขวาเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะต่างๆเหล่านี้เรารู้ทันไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเองนะเปิดในพระไตรปิฎกดูได้นะมีพูดเองจริงจริงนะตรงนี้ท่านพูดเนี่ยแต่เรารู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดาเออวันนหนึ่งเราก็ ทำมานั่นอยู่แล้วนะ่ะใช่ไหมเราก็ดื่มกินพูดคิดเลยทั้งวันแต่สําคัญว่าเรารู้ไหมใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแต่คนทั่วไปเห็นม่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าเห็นมันเรื่องไม่ธรรมด า, ก, า, า, มรรมดาก็คือเราต้องมารู้ในสิ่งที่เป็นคนทั่วไปเห็นวเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละจริงๆไอ้พวกนี้เราทํามาตลอดชีวิตแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกเราทํามาตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้ไหมสําคัญว่าเรารู้ไหมนะรู้ไหมว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่อ่า กำลังคิดอะไรอยู่เราดูไหมนะพระเจ้าให้เรากลับมารู้ในตรงนี้รู้ในกายและในใจของเรานี่แหละเพราะนั้นมันจึงเป็นการตามรู้กายรู้ใจนะสติปัฏฐานสีก็คือการที่เราตามรู้กายตามรู้ใจในขั้นแรกเราก็ตามรู้กายก่อนนะตามรู้กายก็เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานอ่านะ หลังนั้นเราก็จะเห็นเวทนาเกิดขึ้นในความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆในการที่เราเริ่มรู้แล้วนั่นแหละเรารู้กายรู้กายไปเรื่อยๆเราก็เห็นเออขณะนี้มันตามรู้กายนะมีความปวดเมื่อยตามมามีความไม่พอใจตามมาก็เริ่มสังเกตเห็นเวทนาละหลังจากนั้นจิตของเราที่มาละเอียดขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราสามารถสังเกตกายได้นสังเกตเวทนาได้มันก็จะไปสังเกตจิตได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะเมื่อก่อนเราก็สังเกตได้อยู่แล้วล่ะ แต่ว่าเรายังสังเกตไม่ได้คมชัดแต่หลังจากที่เรารู้ทางกายมีพื้นฐานดีแล้วเราจะสังเกตจิตได้คมชัดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปคอยเพ่งคอยดูเขานะเมื่อเรารู้ทางกายแล้วมีความคิดแว บ, บหนึ่งเราจะเริ่มรู้แล้วโอ้มันคิดแว บ, บไปแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนเราคิดไปสิบเรื่องเราค่อยรู้โอ้มันคิดไปแล้วนะครั้นี้นะี่ยเราไปรู้ในเรื่องที่เราคิดเรามาอยู่ตรงนี้โอ้อีกสองวันจะกลับบ้านนะมีความดีใจตรงนี้มันยังไม่ใช่นะ แต่ให้กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังคิดไหมเนี่ยตรงนี้มันมันจริงจะถูกต้องมากกว่าไม่ใช่รู้เรื่องที่เราคิดพราะรู้เรื่องเราคิดมันคิดไม่หยุดหรอกนะมันก็ต่อเนื่องไว้นั่นแหละเออกลับบ้านแล้วไปเที่ยวไหนต่อโอ้โอดอาหารอร่อยล อ, อยเมล็ดวันแล้วไปกินต้มตําอ่ำกินข้าวขาวหมูอไปเที่ยวห้างนี่มันจะไปคิดต่อไปอีกนะแต่เรากลับมาคิดเออขณะนี้เรากําลังคิดนะปุ๊บรู้ทันมันหยุดเลยเขากลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี้แหละว่ามันกำลังทําอะไรอยู่นะ ก็คือการตามรู้กายรู้ใจว่าขณะนี้มันกําลังทําอะไรอยู่มันกําลังคิดก็ให้รู้ว่ากำลังคิดแต่ว่ามันไม่ได้ไปรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ความคิดก็มี2อย่างนะบางทีบอกเอออย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไม่ถูกต้องความคิดก็คือเราตั้งใจคิดกับมันหลงคิดไปเองนะไอ้ความตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใจคิดก็คิดไปเถอดแต่ให้มันจบจบไปถ้าจบก็ให้รู้มันจบเมื่อมันจบแล้วมันคิดต่อนั่นแหละมันคือความหลงคิดแล้วนะ แต่ความหลงคิดไม่มีทั้งวันการเรามาปฏิบัติก็คือท่รานรู้ทัานเผ่าทัานความที่เราหลงคิดนั่นเองนะเพราะความหลงคิดเนี่ยมันนําทุกข์มาให้เราทั้งนั้นเลยนะมันไม่จะคิดเรื่องงานอย่างเดียวหรอกเมื่อมันหลงคิดไปแล้วมันสร้างอะไรเยอะแยะนะปรุงแต่งเยอะแยะเลยการปรุงแต่งมันพื้นฐามนมันมีนุสัยอยู่มันก็จะชักชวนให้เราไปในสิ่งต่างกลับไปดูที่บ้านนะโอยจะไปเที่ยวเลยอ่าจะไปดูอ่ากีฬาเช่นเกมนะจะไปหาเพื่อนให้สนุกเลย ไปกินไปเที่ยวสนุกนี่แหละมันรู้ไม่ทันความคิดในตรงนั้นแล้วมันก็ไหลเข้าไปในกินเลสตัณหาอีกะมันก็ไปสร้างพบสร้างชาติต่อนับพบนับชายไม่ท้วนเพราะจิตที่มันคิดไปแต่ละครั้งจริ ง, รงๆมันไปสร้างพบสร้างชาติแล้วแล้วเราก็ไปไหลเป็นทาตของเขาอีกนะเอเป็นธาตของตัณหาเจ้านายที่ซื่อสัตย์เราเป็นธาตที่ซื่อสัตย์ของเขาก็ไปสนองอสนองพระราชบัญชาของเจ้านายของเราต่อไปก็คือตัณหานี่แหละ มันจริงออกจากความทุกข์ไม่ได้จริงๆมันจึงไม่หมดกินเลยจริงๆรินะเพราะเราต้องรู้ทันในขณะนี้ให้ได้ว่าใจของเราเนี่ยมันมันปรุงแต่งไปทางไหนอมันจะดิ้นรนไปทางไหนมันอยากในทางไหนอ่ามันจะมีความที่ว่าดิ้นรนในใจที่เรามันจะให้เราสนองกินเลยในทางใดนะมันต้องรู้ให้ทันในแต่ละขณะแต่ละขณะให้ได้เลยนะเราเรออกไปแล้วเราก็อย่าไปสนองมันแต่จําเป็นต้องสนองก็ให้รู้เราจําเป็นต้องสนองนะ นะมันต้องรู้ความจำเป็นใ น, ต ร, นตรงนี้ไม่ใช่สนองด้วยความเต็มใจแต่เรารู้แล้วล่ะเราเร า, เราจำเป็นต้องสนองตามบัญชาของตัณหาคือเจ้านายขอยงเรานะถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วมันจะออกได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจำจำเป็นต้องสนองนั่นแหละเราเป็นหลงเป็นาทาตเขาแล้วตลอดชีวิตนี้นะให้กลับมาเห็นนะในความที่เป็นทาตของเขานะตราบไดที่คนไม่เห็นว่าเราเป็นทาตเราก็จะไม่ออกจากทาต แต่เริ่มมากลับมาเห็นว่าเราเป็นทาตของเจ้านายคือตันหานะมันจะเริ่มอาจจะการเป็นทาตแล้วมันจะรู้ว่าเออเราหลงโง่มาตั้งนานนะการที่เรามีพบมีชาตินับไม่ถ้วนเนี่ยเพราะว่าเราไปสนองตันหานะคือสมุทัยคือสา gin, <ๆ S 1> เหตุความเกิดทุกข์นั่นเองหลังอย่างนี้ไปเมื่อเรามีสติแล้วเราจะไม่กลับไปสนองตันหาของเขาอีกนะไม่กลับไปเป็นทาตุเขาอีกแต่เราเริ่มเป็นไทยแล้วคือเราเริ่มไปอิสระในตัวเราเองแล้วที่จะไม่เป็นไทย ที่จะไม่ไปรับใช้ใครเป็นทาสผู้ซื่อสัตว์ของใครแต่ว่าเราจะเป็นตัวเราเองนะด้วยความที่ว่าจิตของเรามันมีความฉลาดขึ้นมาแล้วนะที่จะรู้เท่าทันกินเลนในใจของเราแล้วเราจะไม่ไปนสนองได้อีกนะจิตที่รู้เท่าทันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นจิตที่มีสติมีความรู้สึกตัวนะมันก็จะเกิดปัญญาที่จะมาเห็นความจริงว่าทุกอย่างนะมันเป็นความไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย เมื่อไม่ไม่เที่ยงมันก็มีแต่ความทุกข์คือมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็บังคับก็ไม่ได้ด้วยนะไม่สิงถ้าเราบังคับไม่ได้เพราะนั่นเมื่อบังคับเขาไม่ได้เขาจึงแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นะเมื่อเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเราเมื่อไม่ให้ตัวไม่ตนของเราแล้วน่ะถ้าเราเห็นในตรงนี้ได้จิตมันก็ปล่อยนะปล่อยทันทีเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย รูปใบนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เขาไม่ให้ตัวไม่ตนของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วนะมันไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วแต่เราไปหลงยึดหลงถือหลงผูกพันหลงแบกเขามานานเท่าไหร่นะจริงๆเขาไม่ของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วนะเมื่อไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่ต้ตนแล้วเราไปยึด้็ทำไมนะเพราะการบรดธรรมก็ เป็นการเพื่อที่จะถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี้เท่านั้นเองนะถ้าเราถอดถอนในตรงนี้ได้กิเลสอย่างอื่นมันถอดถอนได้เองโดยอัตโนมัติเลยในเมื่อไม่เป็ตัวตนของเราแล้วอ่ความโกรธก็ไม่ใช่ของเราด้วยอ่ความรักความชังก็ไม่ใช่ของเราด้วยเมื่อไม่ใช่เราเราก็จะกลายเป็นผู้ดูเขาอีกน้อยพราเราโกรธเรากลายเป็นผู้ดูไปโอ้มาแล้วเหรอว่าไงเพื่อนเก่ามาแล้วเหรอมันกลายเพื่อนเก่าไปเลยนะไม่ใช่ตัวเราอีกหน้อยความรักความชังมาโอ้มาแล้วเหรอเพื่อนเก่า ไม่ใช่ตัวเรานะมันกลายเป็นเพื่อนเราไปแล้วมันกลายเป็นเพื่อนบ้านกลายเป็นข้างบ้านไปไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันมองบ่อยๆงัมันมองได้ชัดเลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้โอ้มาแล้วเหลือตัวเราอ่าเราโกรธเราลักเราชังแต่น้อยเราเข้าใจตรงนี้เออมาแล้วเหลือเพื่อนเก่านะมันจะเห็นไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้แหละมันจริงจะออกจากากลายเป็นผู้เป็นมากลายผู้ดูได้อย่างแท้จริงจิตที่มีกําลังเนี่ยมันค่อยๆที่จะวางกิเลสไปตามลําดับตามลําดับ มันไม่ใช่ว่าทีเดียวกิเลสต้องขาดพั่วพระดับไปต่อหน้าต่อตาเราก็หาไม่ไม่จําเป็นนะแต่ว่ามันค่อยๆดับค่อยๆละค่อยๆคยลา ย, ยได้นะเหมือนกับพระเจ้าได้ทรงสแสดงว่าเหมือนกับช่างช่างไม้เนี่ยเขาก็ใช้มีดนะในการที่ทําเครื่องมือต่างๆในการที่เขาทํางานต่างๆเขารู้ไหมว่าดาบมีดมันสึกไปวันละเท่าไหร่ ต่อเมื่อนานไปเขาจะสังเกตว่าด้ามมีมันสึกไปบ้างแล้วกิเลสเราก็เหมือนกันนะเราสังเกตได้ไหมว่าปัจจุบันนี้กิเลสเราในใจของเราลดละไปได้บ้างไหมนะเขาสึกไปบ้างไหมหรือว่าเท่าเก่าหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าเราสังเกตได้มันก็จะค่อยๆละไปตามลาดับนะนี่ก็คือการบรรลุธรรมไปตามลาดับนะแต่จิต ท, ที่เข้าใจในพระไตรลักษณ์ในความไม่ไม่ใช่ตัวไม่ตนอย่างแท้จริงมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็คือความไม่ยึดติดหรือควา ม, มยึดติดอย่าน้อยลงและความเปลี tech, ่ยนแปลงนั่นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ฐาวอแล้วนั่นหล่ะคือการบรรลุธรรมนะมันเป็นการบรรลุธรรมทีเดียวนะไม่เป็นเรื่องเล็กๆคือการเปลี่ยนแปลงที่ฐานวอนั่ น, นเอง <c oughs> <c oughs> นะเพราะนั้นในตรงเนี้ยถ้าเราเราเข้าใจในตรงนี้หนทางเดินเราก็จะสั้นรั ด, ดสั้นและง่ายแล้วไม่เป็นหนทางที่ยากลําบากต่อไปนะในการที่เราจะรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันกิเลยในใจของเราแล้วก็สามารถที่จะ ไม่ไปยึดติดนะการปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้เร็วขึ้นรู้เท่าทันในสิ่งต่างเหล่านั้นว่าเป็นแค่ตันหาเท่านั้นเองนะไม่ใช่ของเรานะตรงนี้เราออกจากการเป็นอ า, าเป็นทาตของตันหาได้นะภพชาติเราจะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะในใจเราก็จะค่อยคลายออกจากความยึดติดและนั่นแหละอาจจริงเราก็จะพ้นทุกได้ในเวลาที่ไม่นานเลยนะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ขอรัชรัฐนาบารมีคุณพระัตาไตรัย น้อมนำให้พวกเราทุกท่านมีจิตที่ตรงด้วยสีสติสมาธิปัญญาถึงซึ่งความพุนทุกข์ได้โดยเลวพันทุกท่านเธิด